บรรยายธรรมวิภาคนักธรรมชั้นตรีม้วนที่สามโดยพระมหาเพระทิตาสีโลจเจริญสุขท่านผู้ฟังทั้งหลายต่อไปนี้ก็จะได้บรรยายธรรมในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีในหัวข้อเรื่องว่าธรรมอันทําให้งามสองอย่างที่พูดว่าคำว่าธรรมมันทําให้งามนั้น หมายความว่าคนเราทุกคนนั้นถ้าหากว่ามีทำทั้งสองอย่างคือหนึ่งขันติความอดทนสองโสรจะความสงบสงี่ยมก็จะทำให้ผู้นั้นเกิดความงามทั้งภายนอกเกิดความงามทั้งภายในเรียกว่าความงามแห่งรูปร่างที่ธรรมดาตกแต่งมานั้นเรียกว่าเป็นความงามภายนอก นะเป็นความงามภายนอกส่วนความงามภายในนั้นเป็นความงามแห่งจิตใจกล่าวคือจิตเมื่อมีอะไรมากระทบกระทั่งแล้วมีมีมีความอดทนนะมีความอดทนไม่แสดงอาการวันไหวตามที่ตนได้รับอารมณ์อันไม่พอใจอ น, นันอันนี้แหละจะทำให้ผู้นั้น งามภายในก็คืองามผิดใจนั่นเองฉะนั้นทำที่ทำให้งามนี้อาทุกทุกคนควรจะปรารถนากันเป็นอย่างมากเพราะว่าความงามที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นความงามที่เราทุกคนปรารถนาเหมือนกันแต่ว่าเป็นความงามที่โลกโลกเรียกว่าเป็นความงามที่ไม่จีรังยั่งยืนมีความเปลี่ยนแปลงไปได้ตามวัย ตามเวลาตามกาลแต่ว่าความงามอีกประเภทหนึ่งนั้นเป็นความงามที่อยู่คู่กับตัวเราไปชั่วนิจในรันดอนก็คือว่างามด้วยคุณธรรมงามด้วยคุณความดีทีนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องว่าทำมันทำให้งามสองอย่างนั้นก็มาพูดถึงความงามที่มีอยู่ในโลกก่อน ความงามที่มีอยู่ในโลกที่เขายกย่องกันเหลือเกินก็คือว่าเป็นลักษณะของความงามเบญจกัลยาณีนะเบญจกัลยานีคือหมายความว่าไงก็คือว่างามห้าอย่างนะงามห้าอย่างหนึ่งผมงามนะสองผิวงามสาม วยงามสี่ฟันงามห้าปิมฟิปากงามนี่เป็นความงามที่ทางโลกปรารถนากันในครั้งพุทธกาลก็มีนางวิสาขาถือว่าเป็นนางงามเป็นจั ก, กรยานีงามงามจริงๆนะฉะนั้นคนเดียวนี้ก็จึงมีการประกวดนางงามกันนะ เช็นว่าเป็นนางงามโลกนนางงามจักรวาลนางงามเอเชียอนางงามแัตนางงามสบู่นางงามแฟซ่าอะไรก็ไม่รู้สารพัดที่ประกวดกันนะอก็มีทั้งงามจริงงามไม่จริงเพราะว่าการประกวดกันความงามอย่างนี้บางครั้งเราก็ไม่ได้ตัดสินกันอเอาความงามจริงๆคือเอาพักพวกกันเข้ามา จึงมีปัญหาเกิดขึ้นทุกๆครั้งที่ออกมาทางหนังสือพิมพ์หรือทางวิทยุกระจายเสียงอ่าก็เป็นเหตุให้กระทบกระทั่งกันฉะนั้นความงามดังที่ว่ามานี้เป็นความงามที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเช่นบอกว่าผมงามนะในผมงามตามหลักของเบญจ ก, กัลยาณีนั้นก็คือว่าดําสลวยสวยสลัเป็นมันสลับนะดำขรับเลยนะยาวสลวย แล้วก็ผมงามในสมัยอพุทธกาลนั้นผมนี่นอนยาวลงไปถึงส้นเท้าแล้วก็ยังงอนกลับขึ้นมาอีกนะยังงอนกลับขึ้นมาอีกนี่ถ้ามาพูดถึงสมัยนี้ก็เห็นถ้าจะต้องวิ่งหนี ก, กันแนะ่นะไม่รู้ว่าผมคนหรือผมอะไรกันแนะ่มันยาวถึงขนาดนั้นนะนี่ต้องวิ่งกันแนะ่นี่เป็นความงามอาที่เรียกว่าผมงามนะ อรพเภทที่สองก็คือผิวงามคาว่าผิวงามนี่ก็คือว่าไม่ได้ผิวขาวนะแล้วก็ไม่ได้ผิวดําคนที่จัดว่าเป็นคนมีผิวงามนั้นก็คือถ้าจะพูดในนี้ก็คือคนเนื้อสองสีนะคนเนื้อสูงสีแต่จะต้องเป็นเนื้อผิวที่ละเอียดนะเนียนละเอียดเนียนนวล เนียนนวลแน่เนียนอืแล้วก็ไม่มีใฝีฝีขี้มแมลงวันเอไม่เป็นแผลเป็นตะปุมตะปาอะไรอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าคนมีผิวงามประการที่สามวัยงามวัยงามก็คือคนที่แม้อายุอย่างมากจะดูแล้วเหมือนกับอายุน้อยอายุสักสามสิบก็เหมือนอายุยี่สิ อายุยี่สิบก็เหมือนอายุสักสิบห้าเนีหรือบางคนอาจจะมีลูกหรือว่าคลอดลูกสักอสิบครั้งก็เหมือนกับคลอดลูกครั้งเดียวนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าคนมีวัยงามอย่างนางวิสาขานี่แม้แกมีลูกหลานเหลนนี่รวมกันแล้วนี่หลายร้อยเนะีหลายร้อยคนแต่ว่าปรากฏว่าเวลาเดินรวมไปกับนางวิสาขานี่ ไม่รู้ว่าคนไหนเป็นแม่ไม่รู้คนไหนเป็นลกูกไม่รู้คนไหนเป็นหลานเป็นเหลนนี่เพราะว่าแก่มีวัยงามดูแล้วไม่แก่นะดูแล้วไม่แก่นี่ประการที่สี่ฟันงามฟันงามนี่หมายถึงว่าฟันขาวบอกว่าเหมือนกับระเบียบแห่งสังนี่เรียบขาวแล้วก็เรียกเป็นเงางามนี่ยิ้มมาแล้วก็เรียกว่า เหมือนกับฟ้าแลบแลบๆเลยใช่ไหมว่า ง, งั้นเธอเรียกว่ามันขาวอ่มันขาวอืมไม่เหมือนกับฟันของคนสมัยนี้ยิ้มมาแล้วก็เหลืองอาราอราอรามเลยเหลืองอาราอราอรามเลยไม่ไหวนะอย่างนี้ไม่ไหวอนะืแล้วก็ประเภทสุดท้ายก็คือริมฝีปากงามในคําว่าริมฝีปากงามนี่ไม่ได้หมายว่าริมฝีปากบางอนะ่หรือว่าริมฝีปากต้อง เป็นรูปแต่จับหรือเป็นรูปสามเหลี่ยหมหรือเป็นรูปมอนอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นริมฝีปากงามนี่หมายถึงว่าริมฝีปากที่มีสีแดงเรื่อเหมือนกับผลตำลินสุกเป็นธรรมชาติเหมือนกับมีสีแดงเรื่อเหมือนกับผลมาผลนี่โดยธรรมชาตินี่ไม่ต้องเอาสีอะไรไปแต้มไปแต่งเหมือนกับทุกวันนี้นทุกวันนี้เราเอาสีไปแต้มไปแต่งกันจน จนเรียกว่าหาที่งามไม่ได้แทนที่จะอยากให้ปากสะอาดก็เลยกลายเป็นว่าจะไปทําให้ปากมันเปื้อนไปทําให้ปากมันเปื้อนและจริงเหล่านี้แหละจึงทําให้สุภาพสตรีทั่วโลกทุกวันนี้ก็จึงมาพยายามทําให้งามให้เป็นเป็นจั ก, กรยาณีเหมือนอย่างนางวิสาขาก็พยายามหาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาแต้มมาแต่งหาทุกจริงทุกอย่างนั้นมาทามาโปะเข้า อมันก็เลยบางครั้งมันก็ดูงามแต่บางครั้งมันก็ดูงอมนะดูงอมไปนะเลยดูแล้วก็กลายเป็นพวกนิ้วพวกขนพวกละครไปนี่มันไม่พอดีเนะี่ยไม่พอดีฉะนั้นจึงมีภาษิตของนักปราชญ์ท่านจึงบอกไว้ว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวนั้นมันต้องดูให้เหมาะสมกับวัยนะให้เหมาะสมกับฐานนะอ่านะ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดูงามไปตามธรรมชาติความงามธรรมชาติอันนี้ก็เป็นความงามทางโลกที่เรียกว่างามเบญจกัลยานีนะเบญจกัลยานีเบญจแปลว่าห้ากัลยานีแปลว่างามคืองามห้าอย่างก็คือหนึ่งผมงามสองผิวงามสามวัยงามสี่ฟันงามห้าริมที่ปากงามนี่เรียกว่างามเบญจกัลยาณีทีนี้ความงามอย่างนี้ เป็นความงามที่เสื่อมตามไปตามวัยเนเป็นความงามที่ไม่คงทนเที่ยงแท้ถาวรย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาผมที่เคยดำก็อาจจะไปเป็นรากจอกหรืออาจจะไปขาวโพลนเลยก็ได้หรือก็อาจจะเป็นดอกเลาก็ได้นี่แล้วก็ผิวที่เคยงามก็อาจจะตกกะเรียกว่า ตกกระไปเลยหรือ่าอาจจะเต็มไปด้วยไฝอยสีขีาแมลงวันนะบางคนก็เป็นผู้ชายบางคนก็ไปสักซะเต็มเลยนะเรียกว่าเป็นสุภาพบุรุษวันเถอนะผู้หญิงบางคนก็มีฝเต็มตัวนะนะหรือมีแผลเป็นอะไรต่างๆน า, นานาอย่างนี้ที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้นะไอ้ผิวที่มันเคยเต่งตึงมันก็เคียวย่นไปนะไปตามการไปตามอายุไข แล้วส่วนที่ว่าวัยงามก็เหมือนกันในคนเรานะ่ะถ้าแบ่งวัยยับยับแล้วมันก็มีอยสามวัยคือปฐมวัยคือวัยต้นตั้งแต่อายุหนึ่งปีถึงยี่สิบห้าปีเอา่าแล้วก็มัดชิมวัยคือวัยกลางคนอา่าตั้งแต่อายุยี่สิบหกปีไปถึงอา่าห้าสิบปีอา่าหรือห้าสิบกว่าปีอะไรห้าสิบปีแล้วก็นอกจากนั้นไปก็เป็นปัดฉิมวัย เน่เป็นปัจฉิมวัยเอะฉะนั้นนี่เราถือว่าแบ่งตามตามเวลาการเวลาแล้วก็คนเรานั้นมีสามวัยแล้ววัยมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะตอนเป็นเด็กมันก็ดูยังกระชุ่มกระชวยนะตอนวัยกลางคนก็เป็นวัยที่ทํางานผิวอาจจะหยาบกร้านต้องใช้สมองอตอนในเบื้องปลายก็คือว่าแก่เท่านะมันก็ย่อนยานเยี่ยวยน่น แกงงอมนี่อันนี้มันมันมันไม่จรังยั่งยืนมันเป็นอย่างนั้นเอ่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ส่วนฟันเหมือนกันฟันนี่ก็ไอ้ที่เราว่ามันขาวนะเข้ามันก็นานเข้ามันก็เปลี่ยนแปลงได้ดูมันยังมั่นคงแต่พอนานเข้าชักโยกชักคลอนเนี่ยชักโยกชักคลอนนี่มันไม่คงทนถาวรฉะนั้น พวกเราจึงบ่นกันจังเวลาปวดฟันนี่แมรู้สึกว่ามันเป็นการปวดที่เรียกว่าหาอะไรมาเปรียบไม่ได้อีกแล้วปวดฟันแล้วไม่อยากพูดไม่อยากคุยไม่อยากทำอะไรกับใครเลยเนะี่ยคนเราถ้าปวดฟันแล้วนี่มันปวดเอามากนะปวดแบบชนิดที่เรียกว่าดวงตาแทบพันหลนออกมาเลยนะปวดจริงๆเนะี่ยคนปวดฟันนี่ปวดจริงๆฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นเรื่องของความ เปลี่ยนแปลงของสังขารนะไอ้ฟันเคยมั่นคงก็กลับมาเป็นโยกครอนอ า, อาจจะต้องถอนกันไปออะไรกันไปเกิดจากเชื้อโรคพวกแมงพวกเชื้อไวรัสต่างๆสารพัดนั้นจึงมีการต่อต้านเรื่องฟันปุกกันมากสุดท้ายก็คือเรื่องริมฝีปากงามไอ้ริมฝีปากงามก็นั่นแหละพรนานไปนะเข้าเข้ามันก็ชักแตกเป็นหัวระแหงจึงเข้าหน้าหนาวอย่างนี้ยิ่ง ตกตะเกียบอประทานโทษเน่ยแหมบางทีไปเดินเข้านี้เลือดออกอีกแล้วนะรู้สึกว่าลําบากเราก็บางทีต้องหาอืมวาสลินทากันมัางอะไรกันเพื่อการปากแตกกันนะฉะนั้นอันนี้จึงบอกว่ามันเป็นความงามโลกโลกเป็นความงามที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัยตามอายุไขไม่จีรังยั่งยืนแต่ความงามที่จะพูดต่อไปนี้เป็นความงามที่ ที่งามจริงๆเนยะเป็นความงามที่งามจริงๆเป็นความงามที่งามได้ทุกเพศทุกวัยและงามได้ทั้งเด็กหนุ่มสาวเท่าแก่พระสงฆ์องค์เลนงามได้ทั้งนั้นเนะีเหมือนกันหมดก็คือหนึ่งขันติความอดทนคนมีความอดทนเป็นคนงามสองโสรัจะความสงบเสงียม โสรจ่าความสงบเสงียมทำสองประการนี้ถ้ามีอยู่ในจิตใจของผู้ใดผู้นั้นงามทันทีงามในเบื้องต้นงามในถาำกลางงามในที่สุดถึงไม่ต้องรูปงามก็งามไม่ต้องรูปงามก็งามรูปงามก็ยิ่งงามใหญ่ผิวไม่งามก็งามผมไม่งามก็งาม ผิวไม่งามก็งามไว้ไม่งามก็งามฟันไม่งามก็งามริมฝีปากไม่งามก็งามเพราะมันงามอยู่ที่ใจอยู่ที่การประพฤติอยู่ที่การปฏิบัตินะไม่ได้อยู่ที่ภายนอกไม่ได้อยู่ที่เนื้อหนังมังสาอันนั้นเป็นธรรมชาตินะแต่ความงามจิตใจที่มีคุณธรรมคือขันติความอดทนโศละจกความสงบสงยมนั้นเป็นความงามที่ฝังอยู่ในจิตใจ แล้วก็แสดงออกจากพฤติกรรมที่ออกมาทางกายทางวาจาในการพูดในการทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คนอื่นรับรู้ให้คนอื่นเห็นงดงามไปหมดอย่างนี้แหละได้ชื่อว่าคนมีทาที่ทําให้งามฉะนั้นก็จะขยายต่อไปอีกว่ายังขันติความอดทนนะใ้ความอดทนนี่ เป็นสิ่งสำคัญมากนะสิ่งสำคัญมากอดทนอดด้วยทนด้วยนะต้องอดด้วยต้องทนด้วยไอ้คำว่าอดนี่หมายถึงว่าอดเปร่้ไว้กินหวานเหมือนกับว่าเรามีมะม่วงอกล่องถ้ามันดิบถ้เราไปกินซะก็เท่ากับว่าเรากินยังไม่ถูกดีนะยังไม่ถึงดี เราไปกินซะก่อ น, นเขาเรียกว่าชิงสุกก่อนหามคล้ายๆอย่างนั้นเนีน่ยฉะนั้นเราต้องคอยเอาไว้ให้สุกมันจึงจะมีค่าจึงจะมีราคาแล้วก็มีรสกลมกล่อมทราบซึ้งเติมใจ น, นี่ฉะนั้นเราต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานนทนเราต้องทนเพื่อให้ถึงดี น, นทนเพื่อให้ถึงดีถ้ายังไม่ถึงดี เราก็ยังไม่ได้ดีตามที่เราอดทนฉะนั้นความอดทนต้องทนให้ถึงดีทนให้ถึงที่อัตมาก็เคยสอนนักเรียนให้ท่องเรื่องขันติความอดทนว่าความอดทนทําให้คนเป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนนี่ท่านผู้ฟังเอาไปท่องได้นะเขียนไว้เลย ว่าความอดทนทำให้คนเป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนนี่ถ้าอดทนยังไม่ถึงที่ก็ไม่ได้ดีสักคน น, นั้นต้องอดทนให้ถึงที่อไอความอดทนนี่มันมีเป็นขั้นๆเป็นชั้นๆเหมือนกันนะแล้วแต่เหตุการณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกันนะเกี่ยวข้องกันแล้วคนที่มีความอดทนนั้นเป็นคนดีทั้งนอืนเป็นคนดีทั้งนั้น อ้าวท่านลองฟังต่อไปดีว่าจริงหรือไม่ความอดทนนี้เขาแบ่งออกเป็นสาประเภทคืนหนึ่งทนลำบากทนลำบากตราตรำอันเกิดจากการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างเพราะการทำงานนั้น จะต้องเหนื่อยจะต้องลำบากเป็นธรรมดาการใช้พลังงานต้องเกิดแรงงานเกิดพลังงานเกิดความร้อนขึ้นนะเกิดความเพียรขึ้นมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานในที่เราใช้ไปมันเผาผลาญไปออันนี้แหละได้ชื่อว่าเราอดทนเราทนต่อความลำบากทนต่อความกรา ก, กรม ทำการงานโดยไม่วาดวันในแดดลมฝนหรือความร้อนความเย็นความหนาวไม่เกรกลัวนี่ฉะนั้นอันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายลองคิดดูให้ดีคนที่ไม่อดทนในการทํางานนี่จะไม่เจริญในจะไม่เจริญในการดํารงชีวิตจะไม่เจริญในหน้าที่การงานน้อยใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่าง ตรงกันข้ามคนที่มีความอดทนในการทำการงานคนนั้นจะประสบความสาเร็จในชีวิตคนนั้นจะประสบ ก, กับความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตอขอให้ท่านลองคิดดูให้ดีคนที่เป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนชาวนาชาวไร่ชาวสวนไม่อดทนในการทำนาไม่อดทนในการทำไร่ไม่อดทนในการทำสวน นาไรส่สวนนั้นจะงอกงามไพยบู์ตามที่ตนตั้งถนาไม่ได้และนาไรส่สวนนั้นจะได้ผลิตผลดีดังที่ตนตร้งถนาไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่ตั้งใจทำให้ถึงดีเพราะเขาไม่อดทนทำให้ถึงดีก็คือว่าทำไม่สำเร็จนั่นเองหรือสำเร็จก็ รุ่มรุ่มดอนดอนเนยรุ่มรุ่ ม, มดอนดอนเพราะการทำนาทำไร่ทำสวนนั้นแน่นอนที่สุดจะต้องตากแดดตากลมตากฝนต้องประสบกับความหนาวพูดอย่างนี้คนที่มีชีวิตชาวไร่ชาวน า, ชา ว, นาชาวสวนย่อมรู้แก่ใจเนี่ยแต่คนไม่เคยทำก็ก็จะมองไม่ค่อยเห็นว่าการทำนาทำไร่ทำสวนนั้นมันลําบากลําบุญแค่ไหนเขายังไม่เรียกว่า ชาวนานี่เป็นกระดูกสันหลังของชาติ ห, หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอาเบือตังน้ำทำทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งนี่ร้อนใจแทบขาดก็ไม่กกรวหนาวใจแทบขาดก็ไม่กกรวฝนตกพราเปียกปอนไปหมดเย็นช้าไปหมดก็ไม่กกรธนี่เพราะอะไร ก็เพื่อทนให้การงานที่ตนได้ทําไปนั้นให้สําเร็จไปตามที่ตนมุ่งมา่นปรารถนานั่นเองแต่ก็นั่นแหละบางครั้งก็ไม่สงสารมุ่งมา่นปรารถนาเกิดจากภัยธรรมชาติบ้างเช่นเกิดอุทกภั ย, ภยน้ําท่วมข้าวลมจมเสียหาย เ, าเกิดฝนแรงบ่างพืชพรรณธัญญาหารตายนี่แล้วบางครั้งก็ยังมีเพลี้ยเข้ามาผสมจะบ้าง นี่ฉะนั้นชีวิตชาวนาชาวไร่ชาวสวนนี้จึงประสบอยู่กับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอฝนแล้งไปบ้างอาน้ําท่วมบ้างเกิดจากเพลี้ยต่างๆบ้างอา่าสิ่งเหล่านี้แหละจึงเป็นปัญหามากนะฉะนั้นพวกชาวนาชาวไร่ชาวนาชาวไร่ชาวสวนจึงต้องอดทนนะจึงต้องมีความอดทนมากแม้แต่ผู้ที่รับราชการทุกกระทรวงกรมกอง หรือจะเป็นทางของรัฐบาลหรือของเอกชนรับวิสาหกิจต่างๆก็แล้วแต่งานที่เราทำนั้นเราจะต้องมีความอดทนนะต้องมีความอดทนไม่มีหรอกว่าเราทางานอะไรนี่แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วจะให้สำเร็จไปเลยจะให้ได้ดีเลยจะให้เงินดาวเงินเดือนขึ้นสมจิตสมใจมันไม่ได้นะเราจะต้องทำนานๆต้นไม้เหมือนกันไม่ใช่ว่าปลูกปุ๊บแล้วก็ออกผลปับ๊บเว้นอยู่ไอ้ประเภทที่ว่า อที่เรียกว่าต่อกิ่งหรือตอนกิ่งมานะไอ้ที่ว่าเราจะปลูกแล้วก็ยังไม่มีผลเลยพอปลูกปุ๊บแล้วก็ออกผลปั๊บมันเป็นไปไม่ได้นะจะต้องคอยเวลานี่ต้องคอยเวลาอืการเรียนการศึกษาเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราเรียนปีเดียวเลยสําเร็จมหาวิทยาลัยเลยไม่ได้มันจะต้องเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่ขั้นอุดมกาลขั้นประถมอไปขั้นมัธยมอ่าขั้นอุดม กว่าจะจบมหาวิลัยนี่ก็ใช้เวลาสิบกว่าปีนะสิบกว่าปีนี่กว่าจะสําเร็จนี่เราต้องอดทนนั่นนะต้องอดทนลําบากต้องอดทนเกิดจากความเหนื่อยยาก อ, อดตาหลับขับตานอนดูตํำรับตาําราอ่านท่องบนขีดเขียนวิชาการต่างๆนี่ถ้ายิ่งเราไม่อดทนไม่ขยันหมั่นเพียนแน่นอนที่สุดเราจะไม่สําเร็จในการเรียนการศึกษาเราจะต้องตั้งใจขยันหมั่นเพียนอดทน ต่อความเหนื่อยยากต่อความลำบากอดหลับอดนอนหรือบางครั้งก็ปัญหานั้นก็ยากเราก็ต้องอดทนทาความเข้าใจพยายามไต่ถามท่านผู้รู้ขอความแนะนำก็จะทำให้เรานั้นเข้าใจได้นะอย่างนี้เรียกว่าเราอดทนต่อความลำบากโดยไม่ย่อท้อไม่หวั่นเกรงต่อความเหนื่อยยากความลำบาก ไม่ยออ่อท้อต่อแดดลมฝนหรือความหนาวทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราทำได้แน่นอนที่สุดประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าทำให้กิจที่ทำคำที่พูดนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนี่ในข้อที่สองทนต่อทุกขเวทนาอันเกิดจากความเจ็บปวดป่วยไข้นี่คนเราทุกคนเกิดมานั้นจะต้องเจ็บปวดป่วยไข้ ไม่มีใครที่เกิดมาแล้วไม่เจ็บปวดป่วยไข้อันนี้มันเป็นหลักธรรมดาของคนเราทุกๆคนทุกๆชีวิตจะต้องประสบที่พระพุทธองค์ได้ตัดไว้ในอภินหารปัจเเวขณะว่าเราควรพิจารณาอยู่เนืองๆห้าอย่างคือหนึ่งควรพิจารณาอยู่ทุกวันว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่มีใครร่วงพ้นจากความแก่ไปได้นี่พอเกิดมาแล้วต้องแก่ไม่มีใครไม่แก่ไม่มีไอ้แก่นี่ก็มีอยู่สองอย่างคือแก่ปิดกับแก่เปิดนี่ไอ้แก่ปิดก็คือเหมือนกับคนท้องแก่นี่คนท้องแก่เราเรียกกันว่าคนมีลูกหรือคนตั้งครรภ์นะเราเรียกว่าคนท้องแก่ไอ้จริงจริท้องมันไม่ได้แก่นี่อะไรมันแก่ ลูกมันแก่อ่าลูกมันแก่ไม่ใช่ท้องแก่นี่ไอ้แก่อย่างนี้เขาเรียกว่าแก่ปิดท้องมันปิดไว้นี่แก่เปิดแก่อย่างไรแก่เปิดก็คือว่าแก่อย่างที่พวกเราเราเห็นเห็นกันอยู่อย่างนี้อ่านี่ผมงอกปันหักหนังเหียวผิวหยาบก้านทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอันนี้เราเห็นกันชัดเลยนี่อย่างนี้ว่าแก่เปิดให้เห็นหมดทุกส่วนว่าองนั้นเถอะเห็นหมดทุกส่วน นี่เขาเรียกว่าแก่เปิดทีนี้อันนี้มันก็เป็นธรรมดาของสังขารว่าเราเกิดไปแล้วก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่มีใครร่วงพ้นจากความแก่ไปได้จะเป็นอินพรมย ม, มยาอะไรยมพยาอะไรที่ไหนก็แล้วแต่วีริตอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องแก่ทางนั้นต่างแต่ว่าจะแก่เร็วหรือแก่ช้าแค่นั้นเองจากการที่สองเรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่มีใครร่วงพ้นจากความตายไปได้นี่อันนี้ก็เ อ, อ่ขอขอขอประทานโทษเรามีความเจ็บปวดป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่มีใครร่วงพ้นจากความเจ็บปวดป่วยไข้ไปได้นี่ว่าคนเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องเจ็บปวดป่วยไข้อ่ต้องมีโรคต่างแต่วจะโรคอะไรเพราะในตัวของเรานี่มันสารพัดโรคโรคตาแดงโรคไขวัด โรคคือโรคคอโรคมะเร็งโรคปอดโรคหัวใจโรคไอสารพัดโรคเลยนะสารพัดโรคอันนี้มันเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาแต่ว่าคนเมื่อประสบปัญหาความเจ็บปวดปวดไข้ที่เกิดขึ้นจากสาราวุธหรืออะไรก็แล้วแต่จากสิ่งที่มีพิษหรือว่าเกิดจากเชื้อโรคต่างๆนั้นก็ต้องมีสติมีสัมปชัญญะ มีความระลึกมีความรู้สึกตัวว่านี่เป็นธรรมดาไม่ได้เจ็บปวดป่วยไข้แต่เราคนอื่นก็เจ็บปวดป่วยไข้ไม่ได้เจ็บปวดป่วยไข้แต่พ่อแม่ของเราพ่อแม่คนอื่นก็เจ็บปวดป่วยไข้ไม่ได้เจ็บปวดป่วยไข้แต่ลูกของเราลูกคนอื่นก็เจ็บปวดป่วยไข้ไม่ได้เจ็บปวดป่วยไข้แต่พี่น้องของเราพี่น้องคนอื่นก็เจ็บปวดป่วยไข้ พอเราพิจารณาอย่างนี้ไอ้ความเจ็บปวดอะไรมันก็จะเบาบางลงไปไอ้ที่มันเบาบางก็คือเรารู้เท่าทันต่อความเป็นจริงว่าเมื่อสังขารมีความเจ็บปวดไว้ค่ต้องมีนะต้องมีแต่จะน้อยหรือมากแค่นั้นเองนี่เราก็ไม่ยึดมั่นถือมันไอ้คนบางคนนี่อ่อนแอมานะปวดนิดปวดหน่อยสำอญนะเป็นโรคสำ อ, อย ไอ้โรคบางอย่างมันก็แปลกยิ่งเราไปตามใจมันสำอ่อยมันก็ยิ่งปวดใหญ่ยิ่งเจ็บใหญ่แล้วบางทีทานให้หายยากแะดุ้นเนีฉะนั้นเป็นนิดเป็นหน่อยแล้วเราจะต้องอดทนนะต้องต่อสู้อ่าถ้าไปอ่อนแอมันโรคมันก็ยิ่งโจมตีใหญ่มันมาเท่ากับว่ามันมาลองวัดจิตใจพวกเราว่ามีความเข้มแข็งแค่ไหนถ้าเห็นเราไม่เข้มแข็ง ม, มันก็เอาใหญ่เลย นะบางคนก็อ่อนแอจนเรียกว่าไม่ทันรู้ว่าไอ้ความเจ็บปวดปวดไข้นั้นเกิดจากอะไรตีโพตีพายเอาไปกันเป็นเรื่องใหญ่โตไปเลยนะ <c oughs> บางคนในโรคเป็นนิดหน่อยก็พลอยหายยากหายนานหรือบางคนก็ไม่หายถึงแก่ตายไปก็มีอันนี้ก็เคยเห็นมามากคือสมัยหนึ่ง เ, เมื่ออาตมายังเป็นเด็กนะ ยังเป็นเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ตามชนบทก็มีเพื่อนด้วยกันเนี่ยพอตกกลางคืนฝนตกพรำๆเพื่อนของกันก น, นี่ก็ออกไปส่องปลาไปหาปลากลางคืนโดยมีตะเกียงเอาใส่เป็นกล่องสังกะสีไปเมื่ออาตมายัางเป็นเด็กนะยังเป็นเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ตามชนบท ก็มีเพื่อนด้วยกันเนี่ยพอตกกลางคืนฝนตกทพลังเพื่อนของกันนี่ก็ออกไปส่องปลาไปหาปลากลางคืนโดยมีตะเกียงเอาใส่เป็นกล่องสำลักสีไปซึ่งตามชนบทบางทีเขาเรียกว่าโป๊หรือเรียกว่าอาที่เป็นกล่องใส่ตะเกียงเนะีก็อาจจะเรียกแตกต่างกันไปอันนี้ก็ ใส่เอาไว้เพื่อให้แสงไฟนั้นเหมือนกับไฟฉายที่เราฉายออกไปนะที่เราฉายออกไปก็ปรากฏว่าเพื่อนของนั้นแกก็เดินออกไปส่องปลากลางคืนก็ปรากฏว่าไปเหยียบเอากลับมะพร้าวก็นะในกลับมะพร้าวที่ไม่ได้ปอกเปลือกนอกน่ะมันงอมันโคง้งพอไปเหยียบเข้าข้างหนึ่งเนี่ยอีกข้างหนึ่งก็โขกสับเอาตรง หน้าขาหน้าแข้งพอดีแกก็ร้องโอ้ยเป็นการใหญ่เลยบอกงูกัดงูกัดขึ้นมาทันทีเลยนี่ไปสำคัญว่าเป็นงูกัดโดยไม่มีความพิจารณาให้รอบครอบเสียก่อนแกก็วิ่งไปถึงบ้านเลยบอกงูกัดฝ่ายพวกพ่อแม่พี่น้องพอรู้อย่างนั้นก็โอ้โหยรีบขมีขมันช่วยกันเป็นการใหญ่เลยมาเต็มเลยเอาเชือกมารัดกันสามเปลาะเลยรัดที่ขารัดที่เอวรัดที่อกโอ้โหปรากฏว่า คนไข้จะตายไอ้ที่จะตายไม่ใช่จะตายเพราะว่าตามที่บอกว่างูกัดอกจะตายเพราะว่าหายใจไม่ออกนะจะตายเพราะหายใจไม่ออกเพราะเชื่อวไปรัดไว้ัมมานะไปรัดไว้ัมมากนี่ปรากฏว่าเขาถามบอกปวดไหมก็บอกว่าปวดปวดจังเลยปวดจังเลยนี่ปรากฏพวกญาติพี่น้องก็อยากจะดูว่างูอะไรมันกัดก็เลยเอาไฟเอาตะเกียบ น, นั้นมาส่องดูเดินตามรอยที่ ที่เดินเหยียบไปตามทางที่ฝนตกคำาำนั้นมันยังเป็นรอยอยู่ก็เดินส่องส่องไปดูก็ไปเห็นว่ารอยเท้าได้เหยียบไปที่กาบมะพร้าวนั้นเครื่องหนึ่งแล้วอีกทางหนึ่งมันก็เลยโขกไม่ใช่งูหรอกก็เลยนึกโเรกันก็เลยพากันกลับมาบอกว่านี่ไอ้ที่ว่างูกัดเมือม่อสักครู่นั้นไม่ใช่หรอกกาบมะพร้าวว่าเราน่ยไปเหยียบกากมะพร้าวเข้า กับอะเร้าที่มันไม่ไปลอกเปลือมันแข็งมันก็โคกแรงๆเอาเข้าสิแค่นั้นแหละท่านผู้ฟังเงียบเลยคนป่วยนี่เงียบเลยเห็นไหมพอรู้ตามความเป็นจริงแล้วมีสติแล้วนี่เงียบเลยปวดก็ไม่ปวดไอเมื่อก่อนนี่ยังไม่รู้ว่าเป็นงูหรือมะพร้าวนี้แม่ปวดเลอเกินนะปวดมากอ่านี่อุปปาทานมันเกิดขึ้นคนอ่อนแอตีโพยตีพายนะนี่อันนี้แหละมันมันเป็นเครื่องพิสูจน์ให้คนเราเห็นหลายๆอย่างฉะนั้น ก็จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้พิจารณาว่าเราทุกคนนั้นต้องมีความเจ็บปวดป่วยไข้เมื่อถึงความเจ็บปวดป่วยไข้ก็อย่าไปทําใจอ่อนหรือจะไปอ่อนใจอ่อนแอจนกระทั่งไม่มีเรี่ยวมีแรงบางคนนี่หมดเรี่ยวหมดแรงเอาเลยอก็เคยรู้จักโยผู้หญิงคนหนึ่งอซึ่งแกก็ยังไม่แก่เท่าไรนักอายุประมาณสักสี่สิบได้นะ สี่สิบได้แกก็มีลูกเต้าแล้วล่ะปรากฏว่าแกไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึง่งไปตรวจที่ที่ซวงอกนะหมอก็บอก ว, อออว่าเป็นมะเร็งว่าเป็นมะเร็งแกก็ผ่าตัดผ่าตัดเอานมออกไปข้างหนึ่งนะรู้สึกแกเสียใจมากเพราะแกเป็นคนรู้สึกว่ารักสวยรักงามชอบการแต่งเนื้อแต่งตัวไอ้ความที่แกเสียใจว่า ไอความสวยงามของแกนั้นต้องถูกตัดออกไปนั้นทำให้แกกินไม่ได้นอนไม่หลับปรากฏว่าแกอยู่ไม่นานแกก็ตายนี่นี่เพราะว่าแกคิดว่าอยู่ไปมันก็ไม่สวยไม่งามแล้วนะไม่สนุกอีกแล้วไม่สุกอีกแล้วเอยก็จึงทำให้ไอไออันนี้แหละมันเกาะกินใจของแกไอโรคนี้แหละมันเกาะกินใจร้ายแรงยิ่งกว่าโรคจริงจะอีก ไอ้โรคแห่งความอ่อนแอไอ้โรคแห่งความหลงมัวเมารู้เท่าไม่ถึงการนี่แหละมันกลายเป็นเป็นพิษภัยอันยิ่งใหญ่กว่าโรคจริงๆริงซอีกนะแต่ว่าถ้าเราทําใจเข้มแข็งเนี่ยเราอยู่ได้ไอ้โรคร้ายก็บางทีก็หายหรือบางทีก็ยังจะให้เรานี่อยู่ยืนยาวไปอีกนานนะถ้าเรามีจิตใจเข้มแข็งฉะนั้นอันนี้ก็ให้เราอดทนต่อความเจ็บปวดป่วยไขย้เมื่อเราอดทนได้ โดยที่มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวรู้สึกตัวตามความเป็นจริงแล้วแน่นอนที่สุดก็จะทำให้เรานั้นเป็นคนไม่ขาดสติมีสตอิอยู่ทุกเมื่อรู้ตัวอยู่ทุกเมื่อระลึกได้อยู่ทุกเมื่อว่ามันเป็นธรรมดาของคนเราที่เกิดมาข้อที่สามอดทนต่อความเจ็บใจนะทนต่อความเจ็บใจนี่สำคัญมาก เจ็บใจอะไรเจ็บใจต่อสิ่งที่ตนไม่พึงปรารถนานะอย่างหนึ่งเจ็บใจต่อที่มีบุคคลมาทำให้เราเจ็บใจนี่เช่นเป็นคำว่าคำดาอิจฉาดิสยาทุกสิ่งทุกอย่างนี่เราเจ็บใจเราไม่พอใจนะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมเราทุกวันนี้ อถึงกับฆ่ากันตายอฆ่ากันตายตีรันฟันแทงกันตายหรือมีการเอาประหัดประหารกันจี้ปล้นฆ่ากันเอารัดเอาเปรียกกันทุกวันนี้มาจากข้อนี้เป็นส่วนมาเกิดจากการอิจฉาศยลกันการอาฆาตพยาบาทกันปองร้ายกันนี่แหละเพราะเราไม่รู้จักใช้ความอดทนนไม่รู้จักใช้ความอดทนพระพุทธองค์ท่านจึงตรัสไว้ว่าเว้ย่อมไม่ระงับ ด้วยการจองเวรแต่ว่าเวรย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวร น, นี่ขอให้ท่านฟังให้ดีเวรย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรหมายความว่าถ้าใครด่าเราด่าตอบใครอิจฉาเราก็อิจฉาริษยาตอบใครตีเราตีตอบใครรักของเราเรารักตอบใครประหารเราประหารตอบกันแน่นอนที่สุด มันจะไม่รู้จักจบสิ้นเวรย่อมไม่สงบไม่ลครับไม่มีการสิ้นสุดกันนจะต้องมีการยกพวกเข้าประหัดประหารกันตามล้างตามพ้าตามผลาญกันนี่มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นอันนี้แหละจึงขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายต้องรู้จักยักย้ำช่างใจให้มากใครด่าเราเราอย่าด่าตอบใครตีเราเราอย่าตีตอบใครลักของเราเราอย่าลักตอบ ให้ประหารเราอย่าประหารตอบนี่เราคิดอย่างนี้ก็แล้วกันไอ้ที่เขาด่าเราเนี่ยเขาจะด่าเราอย่างไรถ้าเราก็คิดว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาด่ามันก็ไม่น่าเก็บที่ไหนนะไม่น่าเจ็บที่ไหนสมมุติว่าเขาด่าเราว่าเป็นงัวเป็นควายก็เราไม่ได้เป็นงัวเป็นควายมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาเก็บใช่ไหมไม่มีอะไรที่จะมาน่าเคือไม่มีอะไรที่จะมาหน้าโกรธ แต่ไอ้ที่เราไปโกรธที่เราไปเครืองที่เราไปเจ็บนี่เพราะเราสำคัญว่าเราเป็นงัวเป็นควายจริงๆตามที่เขาด่าอย่างนี้มันก็หมดท่าฮหมดท่าเลยนะก็เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเรื่องอะไรเราจะไปยอมรับว่าเราเป็นงัวเป็นควายก็เราไม่ได้เป็นนะทีนี้พอเราไปสําคัญว่าตัวเองเป็นงัวเป็นควายอย่างที่เขาว่าก็เอาเลยควกดทันทีเลยอ่คู้วะถึงตัวกันทันทีเลยอ่เขาตีมาเราตีตอบเขาต่อยมาเราต่อยตอบ นี่เขาด่ามาเราด่าตอบนี่เราสําคัญว่าเราเป็นวัวเป็นควายเออเป็นสัตว์อย่างที่เขาด่าเขาว่านี่อย่างนี้มันก็เดือดร้อนทั้งคู่ขอประธานโทษชิปหายทั้งคู่นะฮะชิปหายทั้งคู่ไม่มีความสุขไม่มีความสบายเลยนะไม่มีความสบายฉะนั้นอย่าอย่าคิดอาฆาตนะอย่าคิดจองแลจองผ่านกันเลยนะไม่ดีไม่มีประโยชน์เลยนะไม่มีประโยชน์ สู้หักห้ามใจไว้ดีกว่านะเอเขาบอกอย่างนี้นะวิธีที่จะชนะไอ้ความเจ็บใจเนี่ยบางครั้งมันก็มีหลายๆอย่างต่างๆกันจะยกตัวอย่างเขาบอกว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งรู้สึกรู้สึกว่าทั้งคู่จะเป็นคนโมโหโกรธา ม, มากแต่ว่าภรรยารู้สึกว่าจะออกมากสักหน่อยจนกระทั่งสามีนี่ราําคาญ ก็ไปปรึกษาพระอาจารย์ว่าจะทําอย่างไรที่จะแก้ไอ้ความโกรธได้อืแก้ความโกรธนะในเมื่อเขาด่าเขาว่าแล้วก็จะไม่โกรธพระอาจารย์นั่นก็แนะนําว่าให้อดทนแเก็บอกว่ามันยากก็มันได้ยินได้ฟังได้เห็นอยู่จากนั้นเนี่ยมันอดทนไม่ไหวขันติแล้วก็เป็นขันแตก อขันแตกแล้วมันก็ต้องตอกกันสักเพียอนี่อ้าวพระอาจารย์ก็บอกว่าในเมื่อใครเขาด่าเขาว่าอะไรเราเราก็ทําเป็นไม่ได้ยินก็บอกมันไม่ได้ยินอะไรก็มันได้ยินอยู่เลยก็บอกไทงนั้นเราก็อ่านหนังสือซะอ่าหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านหรือก็ลุกไปที่อื่นเนี่ยอย่างนี้ก็จะแก้ได้ก็ปรากฏว่าสามีก็เมื่อได้รับ ทำแนะนําจากท่านอาจารย์มาแล้วก็กลับมาบ้านก็มานั่งอ่านหนังสือช่ที่ไหนได้ภรรยามัดยืนดาชดชดชดช ด, ช ด, ชดเป็นการใหญ่เลยนะแกก็เฉยไม่สนใจนะอ่านหนังสือเรื่อยภรรยาก็ด่าใหญ่เลยนะด่าสารพัดด่าแล้วมาเข้าแล้วเข้าด่าไปหนึ่งนาทีแกก็ทนได้สองนาทีก็ทนได้อ่านหนังสือเรื่อยสามนาทีก็อ่านหนังสือ สี่นาทีก็อ่านหนังสือพอห้านาทีรู้สึกว่าหนังสือชักวันวันจะแล้วนะวันวันจะแล้วหกนาทีแกก็ปิดหนังสืออืมดาไปได้เจ็ดนาทีแกก็วางหนังสือดาไปได้แปดนาทีแกก็ค่อยๆลุกยืนขึ้นดาเข้าไปเก้านาทีแกก็เดินเข้าไปหาภรรยาที่กําลังยืนเท้าเสะเอวดาจัดจัอยู่นั่น พร้อมกับพูดว่านี่คุณคุณด่าใครภรรยาหัวเราฮะฮาด่ามาตั้งเก้านาทีเลยยังไม่รู้ว่าด่าใครเหรอก็อด่ามึงนั่นแหละสามีก็เลยบอกว่าเออด่ามึงก็แล้วไปนึกว่าด่ากูถ้าด่ากูแล้วก็ถูกซัดแน่นี่เห็นไหมท่านผู้ฟังอันนี้มันก็แก้ด้ แก้ได้ของคนมันก็ก็ไม่เหมือนกับว่าด่ามึงก็แล้วไปนึกว่าด่ากูเห็นไหมท่านผู้ฟังก็ลองเอาไปใช้บ้างนะอืเอาไปใช้บ้างอถ้าด่ากูแล้วก็ถูกซัดแน่กพ็พอดีมันด่าไม่ถูกกูต้ไปถูกมึงซะอันนี้มันก็ได้ผลดีเหมือนกันก็เลยทําให้ไม่มีการโต้อตอบกันเลยเวนก็ย่อมสงบระ ง, งับด้วยการไม่จองเว้นี่มันเห็นชัดเลย นี่เห็นชัดเลยแต่ถ้าปราบใดยังมีการจองเวรกันแน่นอนที่สุดนะเราก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนเหมือนอยังในสมัยพุทธกาลเรื่องหมีกับไม้สโครเรื่องกากับนกเขาเรื่องงูกับพังพรเนี่ยเจอกันไม่ได้เพราะเป็นคู่อาฆาตเป็นเวรเป็นกรรมที่ได้กระทํากันม า, ลาหลายชาตินะลหลายชาตินะซึ่ง จะเอาไว้พูดในในครั้งต่อไปว่ามันเป็นอย่างไรอฉะนั้นอันนี้ก็ขอฝากไปให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับรู้รับทราบไว้ด้วยว่าถ้าเราอยากหวังความสุขความสงบแล้วก็ให้เราอดทนต่อความเก็บใจให้มากอย่าไปด่าตอบอย่าไปทําตอบเพราะาไหวความโกรธนี้มันมีมันมียอดหวานนะ แต่มีรากเป็นพิษหมายความว่าถ้าใครมาทําให้เราไม่เจ็บใจมาด่าเรามาว่าเราเราคิดว่าถ้าเราไม่ได้ด่าตอบนี่มันไม่สบายใจอ่าไม่สบายใจต้องทําตอบต้องด่าตอบต้องตีตอบต้องลักตอบต้องประหารตอบอถ้าได้ทําสรแล้วรู้สึกว่าสบายใจแต่เมื่อทําไปแล้วรากมันเป็นพิษนี่รากมันเป็นพิษเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนเกิดความวิตกกงังวลกลัว เจานาที่จะจับกลัวเขาจะรู้กลัวเขาจะเห็นต้องหลบต้องซ่อนหรือบางครั้งก็กลัวญาติเขาจะมาทําอันตรายแก่ตัวอะไรในกลัวไปสารพัดเนี่ยทุกมันเกิดขึ้นสารพัดเลยนี่ยมันเป็นพิษอย่างนี้นะมันเป็นพิษอย่างนี้ฉะนั้นเราต้องอดทนนะอดทนต่อความเก็ีดใจอดทนแล้วก็อดกลั้นอีกด้วยนะอดกลั้นไว้อย่าลุกอํานาจแข่งความโกรธนะอดกลั้นไว้อย่ากระทําต่อ เราก็ทำได้อย่างนี้แน่นอนที่สุดอยู่ที่ไหนก็สบายนะอยู่ที่ไหนก็สบายนึกไว้เสมอว่าความอดทนทำให้คนเป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนนี่อย่าว่าแต่แค่นั้นเลยบางครั้งกิเลสต่างๆมันมายั่วยวนเราทำให้เรานี่เกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงเราต้องอดทนนะอดทน อย่าไปลุ้อำนาจแห่งความอยากคือทำตามที่ตนอยากทำตามที่ตนไม่พอใจทำตามที่ตนหลงหพูดง่ายๆว่าทําอะไรตามอำเภอใจอย่าไปทําต้องทนไว้ไอ้ความอดทนนีมนม่มันห้ามมันห้ามมันปิดมันกั้นมันหยุดไว้ไม่ให้มีการกระทําต่อไปอีกนี่ก็จะทำให้เรานั้นตั้งตัวได้มีสติได้มีปัญญาได้นี่ความอดทน ฉะนั้นอาตมาจึงได้สอนลูกศิษย์ลูกหาหรือประชาชนทั่วไปเหลือเกินว่าคนถ้ามีความอดทนแล้วก็เป็นคนดีนะแล้วพระพุทธองค์ก็ได้จัดเป็นพุทธภาษิตว่าขันติปรมังตะโปติติติขาว่าขันติคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยอดเยี่ยมนี่ขันติหิตะสุขาวะหาว่าขันคนมีขันติ ย่อมนำความสุขย่อมนำประโยชน์สุขมาให้ตลอดกาลตลอดเวลาคันติทีรสะลังกาโรคันติเป็นเครื่องประดับของนั ก, การาศ์คนไหนมีความอดทนคนนั้นเป็นนั ก, การาศ์คนไหนไม่มีความอดทนคนนั้นไม่ใช่นักราศ์คนไหนไม่มีความอดทนคนนั้นไม่มีความสุขคนไหนมีความอดทนคนนั้นมีความสุขคันติตะโปตะปัตติโนคันติ เป็นตะบะเครื่องเาผาผ่านกิเลสคนมีขันติก็คล้ายๆกับเหมือนว่าคนมีความอดกลั้นคนมีความเพียรอย่างแรงกล้าที่จะเาะผาผ่านกิเลสอันความชั่วร้ายให้มันมอดไหมไปให้มันวอดวายไปนี่ไม่ให้มันมาเกาะกุมรม จ, จิตใจนะไม่ให้เกาะกุมรวม จ, จิตใจฉะนั้น คันตินี่มันมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งว่ามันเปรียบเหมือนเป็นน้ำนะเป็นน้าทาให้เย็นนะต้องต้องเย็นใครด่าก็ใครว่าทำเป็นทองไม่รู้ร้อนนะเขาเรียกว่าทำเป็นทองไม่รู้ร้อนอย่างนี้สบายใจอาตอมาเคยไปสอนคู่บ่าวสาวนะคู่บ่าวสาวว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยชีวิตคู่เนี่ยมันจะต้องมีการกระทบกระทั่งกัน ลิ้นอยู่กับฟันใกล้กันก็อดกระทบกระทั่งกันไม่ได้แต่กระทบกระทั่งกันบ่อยๆนั้นลิ้นเสียเปียกฟันเจ็บปวดระหว่างคู่บ่าวสาวเหมือนกันเธอทั้งสองในอยู่ร่วมกันใกล้ชิดกันก็จะต้องมีการผิดข้องมองใจอะไรกันบ้างแต่ว่าถ้าเรามีคุณธรรมมีขันติความอดทนแล้วก็สามารถจับขจัดปัดเป่าบันเทาไอ้ความขัดข้องความกระทบกระทั่งกันได้ ก็คือทําให้เป็นคนใจเย็นก็คือคนมีความอดทนขันติคือความอดทนอยู่ในจิตใจของผู้ใดผู้นั้นก็เหมือนกับว่ามีน้ําอยู่ในใจนะมีความร่มเย็นอยู่ในใจน้ําที่ไหนเย็นปลาชอบอยู่อาศัยต้นไม้ที่ไหนร่มเย็นฝูงวิหกนกกาสิงสารสัตว์ชอบอยู่อาศัยคนเราเหมือนกัน ถ้ามีความอดทนมีความสุขขมมีใจเยือเกเยน็นเพื่อนฝูงสหายอย่าเข้ามาพึ่งพาอาศัยนี่ใครก็รักใครก็ชอบตรงกันข้ามคนใจร้อนคือคนที่ไม่มีความอดทนอยู่ที่ไหนมันก็ร้อนเปรียบเหมือนกับไฟไฟใครเข้าใกล้มันก็ร้อนเอาอะไรไปใส่เข้ามันก็ไหม้วอดวายไปหมด คนใจร้อนเหมือนกับเงินไม่ค่อยมีเงินมีมันไม่หมดเป็นตังเหลียญก็หลอมละลายหมดนะละลายหมดฮะแต่ถ้าใจเย็นแล้วก็แน่นอนที่สุดเงินทองทรัพย์สมบัติก็ยังหลั่งไหลามาคนงามความดีก็จะหลั่งไหลามาอญาติมิตรพึ่อนพ้องพี่น้องต่างๆก็อยากเข้ามาพึ่งพาอาศัยอยากอยู่ร่วมร่วมไม้ชายคาเพราะว่า อยู่ใกล้คนมีขันติคนมีความอดทนก็เหมือนกับอยู่ใกล้นักตาลเหมือนกับอยู่ใกล้คนที่มีความดีมีความสุขคนมีความร่มเย็นนะคนมีความร่มเย็นฉะนั้นก็จะสอนให้คู่บ่าวสาวนี้มีขันติกันมากๆนอดทนกันไว้มากๆาคนโบราณจึงพูดว่าคนเมื่อแต่งงานไปแล้วนั้นต้องทาเป็น ตาบอดทำเป็นปากใบทำเป็นหูหนวกเห็นก็ทำเป็นไม่เห็นไม่ควรพูดก็อย่าพูดได้ยินก็ทำเป็นไม่ได้ยินอย่างนี้แล้วสบายแล้วสบายดังที่นักวิปัสสนาก็มักจะสอนอุบาสกวาสิกาว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนั่งนอนสบายนี่ เราเปิดหูซ้ายขวาเปิดตาสองข้างเปิดปากเออ้ากว้างๆแล้วก็นั่งนอนก็ไม่สบายนะไม่สบายฉะนั้นเราต้องรู้จักปิดรู้จักเปิดอมันจึงจะมีความสุขมีความสมบูรณ์นะอย่างนี้ใช้ได้ฉะนั้นในเรื่องขันตินี้ก็คิดว่าท่านผู้ฟังคงจะนําเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็ น, น้อยเอฉะนั้นคนที่มีความ อดทนต่อความเก็บใจประโยชน์ที่เราจะได้รับก็คือว่าทําให้เราไม่รู้อํานาจแห่งความโกรธคนเราเมื่อลุกอำนาจแห่งความโกรธแล้วแน่นอนที่สุดความทุกข์ความเดือดรอ้อนก็จะบังเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายหรือถึงอีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้ตัวไม่รู้เนื้อรู้ตัวตัวเองก็เดือดร้อนตัวเองก็เกิดความทุกข์นะเกิดความทุกข์มากฉะนั้นให้เรานั้นจงมีความอดทนมากๆนะองค์สมเด็จพระสัมมาฯหรือเจ้าท่าน ได้อดทนทำความเปลี่ยนตั้งหกปีนะหกปีไอ้ที่เราอดทนที่ว่าอดทนมากๆนี่มันไม่ได้เซียวของพระพุทธองค์เลยนะเราลองศึกษาดูตามประวัติของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ในอดทนเนี่ยยางถึงที่สุดเลยนะถึงที่สุดจริงๆไอ้ที่เรานี่ยังไม่ถึงหรอกขนาดเรียกว่าอดข้าวใช้ที่ว่าแทบไม่กินเลยเนี่ย จนกระทั่งพลวรากายสู้ผอมเป็นเรียกว่าหนังติดกระดูกจนเรียกว่าขนนี่หลุดแล้ว น, นี่ก็ถดอดมาแล้วพระองค์ก็ทำได้กลั้นลมอัดสาสะปัสาสะคือกลั้นลมหายใจเข้าออกไม่ออกเลยนี่นี่เรากลั้นได้ไหมสักสามนาทีห้นาทีทำได้ไหมนี่เรายังไม่ได้แต่พระองค์ทำได้กดพระทนด้วยพระทนคือกดฟันด้วยฟัน กัดฟันเอ่กัดฟันเอาฟันบนฟันล่างเนี่ยกัดน้อยเอ่อกดพระตาลุด้วยพระชิวหาเอาลิ้นกดเพดานอืมทำความเปลี่ยนจนกระทั่งเหงื่อนี่ออกจากรับแร้ไหลสซมมาเลยพระอมคก็อดทนอดทนทำอย่างนี้ถึงหกปีเห็นว่าไม่ไม่เป็นทางมรรคผลนิพพานไม่เป็นทางที่จะให้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณจึงต้องเปลี่ยนมาเสวยพระกุาหาร นี่จึงได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพธทธญาณฉะนั้นอันนี้แหละพระองค์ก็ได้ทําเป็นเยี่ยงอย่างทุกๆชาติที่พระองค์ได้เสวยเป็นชาติอะไรก็แล้วแต่ในพระเจ้าสิทชาตนะิเราจะเห็นว่าพระองค์นั้นมีความอดทนมากมีความอดกลั้นมากนะฉะนั้นขอให้เราทุกคนนั้นจงมีความอดทนมีความอดกลั้นและรู้จักอดออมในการกินการใช้เราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายที่นี่ มาอีกข้อหนึ่งก็คือโสรัจะความสงบสงี่ยมซึ่งเป็นธรรมข้อหนึ่งในในหมวดที่ว่าธรรมอันทําให้งามในคําว่าความอสงบสงี่ยมนี้หมายถึงว่ามีการยิ้มแย้มเช่มชื่นเป็นลักษณะคือในเมื่อจะต้องอดทนแล้วก็ต้องทอําจิตใจให้ยิ้มแย้มเช่มชื่นมีกิยาการสงบเสงี่ยมอ อันนี้แหละได้ชื่อว่าเป็นโสรั จ, จักคนที่ถูกดูหมินประมาทได้รับความเจ็บใจอดทนไว้อดสั้นไว้ไม่แสดงกิริยาการโต้อตอบไม่แสดงกิริยาการให้วิปริตผิดไปต่างๆนา น, นาเช่นหน้าแดงหรือมีการโต้อตอบหรือว่าแสดงกิริยาการตึงตึงอืมมีเลือดเล่นขึ้นหน้าบ้างอคนอย่างนี้เรียกว่า ขาดขาดคุณธรรมคือโสรจะแต่คนมีโสรจะเมื่ออถูกดูหมิน่นดูถูกประมาทได้รับความเจ็บใจแม้อดทนไว้ได้ก็ไม่แสดงกิริยาการโต้อตอบเออย่างนี้ได้ชื่อว่ามีโสรจะคือทําใจของตนให้แช่มชื่นให้เบิกบานนะไม่ผิดปกติออ่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งโสรจะนี้เป็นธรรมที่สนับสนุนขันตินะ ทำให้มีสมรรถภาพใครดูใครพบใครเห็นก็น่าเคารพน่ารักน่ายั่เกรงนะนอกจากจะอดทนแล้วก็ยังทำจิตใจให้ชุ่มชื่นดูแล้วไม่แสดงอาการขึงโกรธไม่แสดงอาการตึงตังไม่แสดงอาการหุนหันพันแล่นดูแล้วน่ารักมากฉะนั้นคนที่มีความอดทนนี้พระพุทธองค์ จึงบอกว่าคนมีขันติก็เหมือนกับคนที่มีคุณงามความดีคนมีขันติก็เท่ากับว่าคนมีคุณงามความดีหลายๆอย่างมารวมกันนะแล้วขันตินี่เป็นที่รวบรวมของบุญทานการกุศลทุกสิ่งทุกอย่างท่านเปรียบเหมือนกับทะเลหลวง ทะเลหลวงเป็นที่รวมของสายน้ําทุกๆสายนะฮะทุกๆสายฉันใดขันติก็เป็นที่รวมของกุศลธรรมทุกๆอย่างย่อมไหลามารวมกับคนที่มีขันติค น, ค, นตคนที่มีความอดทนตรงกันข้ามคนที่ไม่มีความอดทนบนทานการกุศลหรือคุณงามความดีต่างๆก็ไม่หลังไหลเข้ามาสู่ใจของเราสู่ตัวของเราสู่ครอบครัวของเราฉะนั้นขอให้เราทุกคน จงเป็นคนมีขันตินคือความอดทนคือความสงบเสงี่ยมเยียมเนื้อเจียมตัวและมีความยิ้มแย้มเข่มชื่นไม่แสดงอาการกระโชกโผงผ่าไม่แสดงอาการฉุนเฉียวก็เราก็จะเป็นคนที่งามจะเป็นคนที่น่ารักและยิ่งไปกว่านั้นท่านยังบอกว่าคนที่มีขันตินี้ย่อมจะได้รับอริสง์ก็คือว่า เป็นที่รักของคนทั่วไปไม่มีเวรไม่มีภัยแก่ใครๆไม่มีเวรไม่มีภัยแก่ใครๆแล้วก็ทําให้เป็นบอกเกิดแห่งคุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อใกล้จะตายก็ไม่ทุรนทุ ร, รายไม่พั่มเพอเมื่อตายไปแล้วก็เข้าสู่สุคติโลกสวรรค์นี่สําหรับผู้ที่ได้ประพฤติธรรมที่ทําให้งามก็คือ หนึ่งคันติคว า, ามอดทนสองโสรจะความสงบเส ง, เงีวย์ทำสองประการนี้จะอยู่ในจิตใจของเด็กเด็กคนนั้นก็งามจะอยู่ในจิตใจของหนุ่มสาวหนุ่มสาวคนนั้นก็งามจะอยู่ในจิตใจของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คนนั้นก็งามแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เนรแม่ชีหรือเถรต่างๆก็แล้วแต่ถ้าหากว่ามีธรรมะสองอย่างอยู่ในใจแล้วก็จะเป็นคนงาม เป็นความงามที่ไม่เสื่อมซางไปตามวัยเรียกว่าเหมาะสมทุกวัยแต่ความงามที่เกิดจากอาพรเสื้อผ้าแพ้พันเครื่องประดับต่างๆนั้นต้องให้เหมาะสมกับวัยเจนจะงามของผู้ใหญ่จะเอาไปใส่เด็กมันก็ไม่งามของเด็กจะเอาไปใส่ผู้ใหญ่มันก็ไม่งามอของคนหนุ่มคนสาวจะไปใส่คนเท่าคนแก่มันก็ไม่งามของคนเท่าคนแก่จะมาใส่ของคนหนุ่มสาวมันก็ไม่งามอมันงามเฉพาะ ของใครของมันจะเพาะการจะเพาะเวล า, าให้เหมาะสมกับฐานะแต่ว่าความงามที่เกิดจากธรรมะคือขันติโสรจะจ่านั้นเป็นความงามที่งามตลอดกาลงามไม่เปลี่ยนแปลงงามจีรังยั่งยืนอยู่ตลอดไปฉะนั้นขอใหอ้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงมาเป็นคนมีขันติคือความอดทนจงเป็นคนมีโสรจะจ ạ คือความสงบเสงี่ยมเมื่อเรามีอย่างนี้แน่นอนที่สุดก็จะทำให้เรานั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญนะมีแต่ความเจริญแล้วก็ย่อมเป็นที่พอใจของคนทั่วไปดังพุทธภาษิต ท, ที่ว่ามนาโปโหติคันติโกผู้มีคันติเป็นที่พอใจใครมีขันติก็จะเป็นที่ พอใจแก่ตัวเองและเป็นที่พอใจแก่คนอื่นฉะนั้นก็ขอให้เราทุกคนจงฝึกการมีคันติมีโสรจะจัก็คือให้เราพยายามศึกษาให้รู้ซึ้งถึงคุณค่าของคันติโสรจะจักะควบคุมความรู้สึกต่างๆไม่ให้แสดงออกโดยหุนหันพันแล่นแล้วก็ให้เราพิจารณาไตรตรองเหตุผลตามความเป็นจริง แล้วก็พยายามคบหาสมาคมกับคนที่มีคันติโสรกจัตั้งความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยู่ทุกเมื่อหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่รู้จักถอยเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในที่สุดแห่งการาบรรยายทําอันทําให้งามสองอย่างก็พอสมควรกับเวลาขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันทุกท่านขอเจริญพร